เราฟังมาเป็นสิบปีแล้วรับผิดชอบมาในปี7ี8เจ็ดสี่แปดนปีหกหกเป็นอุชาอาจารย์ปีห้าศูนย์ปีหกหกสิบห้าสิบหกปีแล้ว <c oughs> ก่อนนนนั้นไม่พูดไม่เทศก็มีครูอาจารย์เมตตาใ <c oughs> นครั้งเป็นข่าวปีแรก <c oughs> ก็พอประสิทธิ์ป <c oughs> ู่ประสิทธิ์เมตตาเทศพุกวันพระในพรรษาคือยอจทิ้งโมใหม่มเทศให้วัสันตธรรมตามพรรษาปีแรก เพราะว่าเป็นคนไม่พูดลัชกาลเดิมคือไม่พูด่พูดน้อยแทบไม่พูดคือที่ผ่านมาคือไม่เคยเทศ <c oughs> มาอยู่ในสี 40, ไปไป่สิบปลายปลายมาตอนหลังกรูบาอาจารย์มาเทศวันสำคัญ เราความไม่ตามตลอดขณะนี้ท่านเหล่านั้นก็ล่วงหน้าเราไปหมดแล้วจากพวกเราไปหมดแล้ว <c oughs> จะรึดูฝากไว้คำสั่งคำสอนของผู้ิภเกตก็ไม่ได้แล้ว <c oughs> นี่มันก็ จ, จาเป็น ที่ต้องพูดแต่ยังพูดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมโดยความจริงคือเละให้โอวาทพระใหม่ก่อนที่บรรพชาทุกหมดถ้าเ็จะเน้นเรื่องพัฒนาตราเป็นเบื้องตน้นเป็นหลัก <c oughs> พัฒนาตรา หละะักชนะกับใจสีข่ขาเป็นตัวที่สองตัวสุดท้ายที่ต้องบอกคือใจหลักก็สามเรื่องกันเนี้ยที่เน้นแต่แค่เรื่องแรกยังไม่ไปไหนมาไหนเุ ร, ราะนัตตะไต่ริ่มต้นจากความเชื่อถ้าจัดระบบความเชื่อตัวเองไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไหน ไม่ปมไปไกลลงไปคนนี้ไม่ได้ต่อเป็นร้อยปีมีอายุยืนก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาจะเล่าเรื่องสมัยพุทธกาลแล้วก็ปัจจุบันาการคือปัจจุบนันนี้เรื่องอย่างนี้ครูบาอาจารนยะ์พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไร กันก็ยกดูสาทกอดีตของบุคคลนั้นมาสอนคือผู้เจ้าจะจะเทศเรื่องอะไรมันต้องมีเหตุ <c oughs> ให้เทศพูใ้ใดก็มีคำถามมีสุขก็จะตั้งคำถามแลขอ <c oughs> ขอร้องบิงวรนืออราษ น, นะราษนาไปบิงวอนเชิญเชิญว่าราธนา <c oughs> คือเมอตาเราไ้ฟังหน่อยเป็นยังไงไมาอย่างไงแม้แต่กลางคืนแล้วเกิดเรื่องพวกผมก็ เ, เรียกผู้ชมกลางคืนลักษณะการตัดสินทำในของผูดเจ้านั้นก็จะเจรียกกันมาทั้งหมดแล้วก็ถามในตําแหงสงสุปัจจุบันนไม่มีวิธีการอย่างนี้เขาเรียกว่าต่อหน้า <c oughs> พิจารณาเลยพูดเลยทางทางที่พระองค์รู้เรื่องมันเกิดขึ้นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงแต่พระองค์ก็ต้องการให้ออกจากปากของคุณนั้นให้อยอมรับถึงในบัญญั <c oughs> ติต่อไปห้าม <c oughs> พระพิสุจน์ <c oughs> พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้เราจะเรียกว่าพุทธบัญญัติภาษาเราเรียกว่าศีลเนี่ยที่พระเจ้าที่พระเราปฏิบัติกันท้วัน กงตั้งอาจาระหรืออิไมสจารย์าี่ตามมาแล้วพูดเจ้าเราสอนเล ย, ยแล้วก็สอนต่อไปว่าอย่าไปคิดว่าที่ตัวเองประพฤติคิดทำอยู่นั้นไม่มีใคยรู้ไม่มีเคยเห็นหรือคิดว่าความลับเก็บได้อยู่ได้ไม่มี พูทเจ้าว่าัดว่านาทิโลกระ ห, โหนันามันเป็นเบื้องต้นเป็นสั้นๆเป็นภาษาเราง่ายๆก็คือชื่อความลับไม่มีในโลกราหัความรับคือระหัวฐานคือที่รับมันไม่มีในโลกอันนี้พุเจ้าตัดเดีกนะ เป็นอัธกถาแล้วเพื่อองค์ประจักร ใ, ในอดีตเรื่องเล่าในอดีตคือเล่าในทานประกอ บ, ก บ, กบสมัยก่อนคือมีเรื่องอย่างนี้นก็ยกเอาบริษัทโซย่าก็จะเป็นบริษัทบริษัทก็คือคนที่ปรารถนาเป็นพุทธภูมิปรารถนาเป็นภูริยาเพราะนั้นคนที่เป็นปรารถนาพุทธภูมิเป็นหมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันไม่เป็นหมายถึงสัญญา ก็จะเป็นเหมนแม้แต่ผู้ชี่ยวของเราช้างมา้าลิงเป็นมาหมดแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นหัวหน้าเป็นจ้าฝู้เป็นจา้าโลงเป็นผู้นําแต่ก็ยังกระทัดบริบาลทั้งนี้ทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทั้งสมาธิที่นิจชาติที่เหมือนกันจึงเรียวกว่าบริษัทระบบกันเราประกอบกัน สว่วนนั้นคนนี้คุณโน้นเคยเราหเห็นเป็นภาพเป็นรวมเช่นเรื่องความลับนะก็ยกตัวอย่างในอดีตเป็นต้นเลิกเขาบอกว่าเนี่ยถึงจัดออกมาเป็นว่าอดีตโลกเอราวนามาป่าปากรรมังประกอบพระโต้ออกมามคือชื่ อ, อความลับไม่มีในโลกคนที่ทํากรรมไม่ดีป่าป่าแปลว่ากรรมไม่ดีกรรมชั่ว ตำลามก่อตำที่ไหนก็ไม่มีความลับแปลว่าอะไรแปลว่าถึงคนโอนไม่รู้แต่ตัวเรารู้มันจะมีความลับได้มีเรื่องเยอะๆที่เร่าประกอบ เป็นตัวอย่างเรื่องยาวยามากมากหลายเรื่องในสมัยปัจจุบันรวมตัวแมม่นปูมันเปต้นกับพระแม้แต่เกลือที่มันละคนกันเกลือในเวลาจะใช้เวลาประกอบอาหารกับของที่เป็นเก็ดตันเย็นเหลือปลาร้าเป็นยานมันต้องแยกใช้ปนกันไม่ได้ ใช้ขดเดียวกันไม่ได้ว่าอันนี้ตอนเช้าใช้ตักแกงทางเป็นแกงทำเป็นแับข้าวตอนเย็นทําปรมาณันนี้ไม่ได้อันนี้บัวมันเป็นตัวอย่างบัวเกลือนี้ใช้ไม่ได้ถาวหลวงปู่รู้ได้ยังไ<ม>นงนี่คอยสั้นสั้นเพราะนั้นจึงเด็คิดว่าอย่าไปคิ ด, ดว่าอาจารย์ไม่รู้เรื่องที่สองหลวปู่ขาวปู่ขาวนารายูทำฟั ง, งเพลง ปีหนึ่งในตำมาปัญ า, า, าทำวัดป่าแก้วชุนคนที่หลวงปู่อุ่นปัจจุบันปฏิบติธรมาไปแล้วในขณะที่นั่งสมาธิ เ, เกิดนิมิตเ อ, อเป็นพระรูปหนึ่งรู้อยากชื่อรู้อยากหน้าด้วยกับพิจารณาเ อ, อทำไมอยู่ๆพระ อ, องค์นี้ลอยขึ้นมาให้เชยในิมิตเกษมบอกคอหัวว่าหายพระ อ, องค์นี้ไปซื้อพระสิ้นหนึ่งลวงพระบางบา มานุง่งท่านแจก็ให้ไปซื้อพระสิมานุ่งเสี ย, ยเพาไงนขาอยาไปอยู่เนพระชากข้มาก็เรียกพระอันนี้มาถามแต่ท่านก็ปฏิเสธเราท่านบริสุทธิ์ผมปู่นาดว่าโอ้ท่านท่านอย่าปฏิเสธเลยผมเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมรู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว โอ้เห็นแต่เมื่อคืนแล้วอกภาน้นก็ตกใจนาเสดสุดท้ายก็ยอมรับก็ผมไม่ดีเองผมมันโมหะคข้บแําผมมันหลงผมเป็นโจรวุฒสารภาพเองพอ ร, รุ่งขึ้นนลวงปูก็เดินจงกรมในขณะที่พันมันก็ยังมีชีวิตอยู่เดินจงกรมอยู่ก็เห็น เป็นเงาตะคุ่มตะคุมแต่ไม่มีหัวเราจะมองแต่หลวงปู่เขรู้ว่าเป็นใครยังไม่ตายเป็นเปรตแล้วหลวงปู่เขารู้ว่าเป็นใครอย่างนี้ขอรับไม่มีสมัยหลวงปู่แหวนเราเหมือนกันหรืไม่เอ่ยชื่อเป็นใครเป็นโยมวัดนะวันดีคืนดียืน หน้าโบสหน้าสาลาก็น่ารทีตีหลวงปู่โศเข้าต้นไม้ตานคนยังมีชีวิตอยู่เป็นตัวโศกเท่าต้นไม้ตานตเธอชื่อรู้จักกันหมดนะอันนี้คือกรรมที่ทำเอาไว้แต่คนนี้ก็ตายหลังจากหลวงปู่มรรคภาพอันนี้คือตัวอย่างคือบอกว่าความลับไม่มีในโลกจะไปคิดว่าเราทำอะไร แล้วไม่มีใครรู้ไม่เคยเห็นเป็นความลับดูท mm ี่ว่าท่าจะพูดหรือไม่พูดท่านนี้เอง mm hmm. เพลังของคุณนี้เราเราอยู่เกืรู้อยู่เหืตัว mm hmm. ประเด็นก็คือเราดูถูกตัวเองยังไม่พอรู้ถือดูถูกภูมิปัญญาของตัวเองนี่แหละคิดว่าคนอื่นคนไม่รู้ไม่เห็นเราดูคนอื่นคิด่ตัวเองฉลาด มันใช่แต่มไม่ใช่ควฉลาดทําพวกนี้ไม่ใช่ความฉลาดเขามีแต่จะต่ํา ล, ลงต่ำลงเรียกว่ลงต่ําไปทางที่ต่ํา <c oughs> อันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างในบนุญตนในวัดนี้่าเรานี่นก็เหมือนกันอย่าไปคิดว่ามีอะไรหลวงพ่อไม่รู้ไม่เห็นควรจะพูดก็ไม่พูดเท่านั้นเองหลายๆเรื่องที่ มันเกิดมันขึ้นมามันไม่ใช่เกิดขึ้นมาเฉยๆขึ้นมาลอยๆมันมีเหตุมีปัจจัยของมันเตะลอยๆเราพ้นได้มันก็มีเหตุปัจจัยเสียหายมหายนะมันก็มีมันมีเหตุมีปัจจัยของมันผมวัดเราเนี่ไม่ธรรมดาบอกว่าไม่ธรรมดาที่วัดเราเนไม่ใช่ที่แค่ปีสองปีวัดเราไม่ใช่แค่ตั้งมาห้าสิบหกสิบปีก็อคิดอย่างนี้ มันเป็นวัดมาก่อนถ้าว่าเป็นวัดมาเขาก็ต้องมีเจ้าของมีชุมชนที่อยู่ที่พักที่อาศัยแอ่คิดถึงผูร่างตายไปแล้วไปเกิดหมดแล้วถ้าไม่เกิดจะอยู่ที่ไหนจิตมันเกาะอะไรอันนี้คือเป็นนิดเดนหน่อยก็เคยเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยเป็นเนรรอๆพัดเราต้อเป็นหลวงปู่สอนหลวงปู่ <c oughs> แล้วเม่อปีก่อนี้ไปศึกษาเพราะฉะนั้น <c oughs> พเราจะไปดูถูกภูกมิปัญญาตัวเองเรายังไม่กอไปดูถูกภูมิปัญญาคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นนี่เปนอันตรายโดย <c oughs> เฉพาะอยิ่งคือในแนวความคิดที่ขาดจากภาครัตนใจนี่อันตรายอันตรายมากมากพี้อันตรายธรรมดาสมยัยก่อนครูอาจารย์ที่จะไปปราบพวกนี้ได้ก็ให้เขาแพ้ นับถือพระรัระนตนใจปฏิญาณตนถึงพุทธเจ้าประทับพระอริยสมภเรอขับประทังตรงัข้ามตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าผู้ใดที่ไม่เชื่อฟังพรุทธเจ้าคือสัทธานั่นแหละไม่สัทธานในพระพุทธเจ้าไม่สัทธาแปลว่าอะไรคือไม่ทําตามมันไปแปลว่าไม่เชื่อเชื่อแต่ไม่ทําตามมันปแปลว่าอะไรมันได้ประโยชน์อะไรไมีผลอะไร <c oughs> มันอันตรายเพราะนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อในพระคุณของท่านเชื่อในปฏิปทาว่าผู้จาผ่านพวกเรามาเยอะแล้วสารพัดผ่านไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วกว่าจะเป็นผู้แนะเป็นผู้นำเราได้คอยจะโรดไปในยศไดาเนี่ยไม่ธรรมาดาสร้างสมมารมีมาลองผิด้องถูกอาถรรเองทรมานทรมนกรรม เพราะแม่ครบาอาจารย์เราเช่นเดียวกันเราจะเอาตัวเองรอดได้ไม่ใช่เดินไก่ๆสองก้าวไม่ใช่ก็นั่งกันนทีสองนาทีมันไม่ใช่นั่งแค่วันสองวันที่สุดกันคือนั่งแล้วไ่เห็นตัวเองไม่มีทางเลยที่จะไปเห็นอะไรได้ในโลกนี้แต่คิดว่านั่งแล้วเห็นนั่นเห็นนี่นเห็น้เป็นอย่างนั้นเป็นคิดเอาเองกันนะจินตนาการฟุ้สร้าง แต่อะไรที่ยังไม่เห็นตัวเองยากที่จะไปเห็นอะไรไปนอกเอาง่ายๆแค่นี้แหละถามว่าเห็นตัวเองมากน้อยขนาดไหนความลักที่มีตัวเรามันเยอะแยะมากมายตั้งแต่หัวจะดเท้าที่เราจะต้องค้นหาที่จะพิสูจน์ต้องปฏิบัติลงมือด้วตนเองทุกเรื่องจนรู้แจ้งเห็นจริง ตามความเป็นจริงเมื่อไรเมื่อนั้นเราจะหมดภาระธุระเพราะนั้นยังเป็นธุระธุระอยู่ธาตุสีกันธ์จึงเป็นภาระอันหนักที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเอาแค่ขนันธห้าโดยศินห้าที่เป็นตัวตัดความวิตกกวนความปริโภูแล้วก็เอาสินห้าเป็นขนันธ์ห้าเป็นตัวตั้ง คือแค่ห้าข้อไม่ต้องอะไรมากเอาดูแค่รูปเวทนาสัญญายสังขารเป็นญาณเมือ่อนามคือเวทนาทัญญายสังขารมันแยกจา ก, กรูปเมือ่อไหรจะเกิดอะไรขึ้นนี่ตั้งหากเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องศึกษาคนา้นคว้าเข้าใจไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นที่ปัจจัยภายนอกไร้สาระมันไม่มีสาร ะ, ะรเลยเลย พต่เราที่เรายังไม่เห็นของผู้นี้ด้วยตัวเราเองคือไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญายัางเข้าใจผิดว่ารูปกับนามมันอยู่ด้วยกันเป็นอันเดียวกันถ้าสีกันห้าเป็นเรื่องเดียวกันมันไม่ใช่ขันห้ากับขันสีกับขันหนึ่งมันคนละเรื่องกันแต่พราที่เรายังไม่เข้าใจของมันยากถึงยากมากๆากเลยยากธรรมดาสุดท้ายโมห oh ะ <c oughs> ตัวหลง มันก็กลายเป็นวัตฏะคือวนวนอยู่อย่างนี้แหละความนึกคิดปรุงแต่งวิธีการการกระทําการปฏิบัติก็จะวนอยู่นจึงปลายเป็นวัตฏะจะเรียกวัตฏะมันวนอยู่ในควาคิดคิดอย่างนี้คิดเองแล้วกระทาตามกลับไปยังไม่เข้าใจว่าสี่ห้าตัวมันทําหน้าที่ยังไงเริ่มต้นจากรูปรูปนี่หยาบมากๆเลย อบอกว่าหยาบมากมากถ้าเรายังไม่เข้าใจรูปเรื่อง น, น้ำยังไม่ต้องมาพูดถึงเอ า, ร, ารูปนตาผิวฉวบริ่งกายข้างนอกเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงข้างในที่เป็นตับไตเสน้นูมของเลาของเหม็นเรายังมองไม่เห็นตามความเป็นจริงมันก็ยากขอแค่รูปข้างนอกยังหลงกันอยู่เนื้อหนังบางสระแ่ตัเกสารูมานหน้ทันตาตะโจที่พระบูชาบยะญาท่านให้ มันมีความหมายลึกซึ้งไม่ใช่แค่พูดให้ดูผมคนเล่นฟันถังแค่จบมันไม่ใช่คาว่าดู mm hmm. คนที่ดูมันต้องเห็นถ้าดูเราไม่เห็นก็มีประโยชน์อะไรแต่ที่สำคัญนะคำว่าเห็นนั้นต้องเห็นด้วยปัญญาทุกวนเราใช้แค่สัญญา <c oughs> มันก็จําเอาอยะเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เป็นโ น, นแต่มันไม่ได้เป็นปัญญา เพระนั้นสี่ตัวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อมันแยกจากกันเมื่อไหร่ตัวที่มันบอกว่าแยกไม่แยกก็คือจิตเพราะจิตก็คือน้ํำสี่ตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นลูกน้องของจิตเป็นอาการของจิตทีนี้จิตมันไม่มีที่เกาะคือรูปมันแตกสลายไปแล้วรูปก็คือดินน้ําไฟลมมันอยู่ไมได้ เราเรียกภาษาเราง่ายว่าตายคือมันแตกดับมันอยู่ไม่ได้ทั้งสี่ตัวมันอยู่ไม่ได้ริโอรุบสลายไปธรรมชาติของเขาแต่มันไม่ได้ตายจิตมันไม่ได้ตายแต่ที่เราเรียกว่าตายตายมันคือตายกายมันอยู่ไม่ได้แต่ตัวที่จิตมันไปต่อมันหาที่เกาะต่อหาที่พึ่งต่อหาที่ตั้งต่อมันต้องมีที่เกาะต้องมีที่ตั้งต้องมีที่อยู่ งั้นอยู่ไม่ได้เหมือนแค่น้ำบางทีมันแค่เวทนานี่อันแล้วงกันจะเอาอะไรมามาปรุงมาแต่งมันก็เกาะรูปยาเนี่แหละมันอาศัยสัญญาคือจําจํารูปยานี้ไปมันก็เป็นปรุงไปแต่งต่อแม้หรือแค่ขันศียังไปปรุงต่อไม่ต้องพูดถึงขันห้าแต่นี้มันหรือขันศีปุ๊บเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้แล้วสติมันควบคมมันกํากับไม่ได้แล้วซึ่งต่างกับเราที่มีขันห้า ก็มีขันห้านี่เมื่อใดก็ตามถ้าเหลือแต่ขันสี่เหลือไหนที่หมายจะเหลือแต่ในนามเช่นเวลาเรานอนหลับนั่นก็เหลือแต่ขันสี่แต่ว่าขันห้ามันยังไม่ตายเท่านั้นเองเวลานั้นหลับตัวนั้นแหละไม่ต่างกั็เลยคนตายเลยมันเหลือขันสี่ร่างกายอยู่ในท่าไหนนอนคว่ำนอนตะแคงนอนงายมันไม่รับรู้คือมีสติมารับรู้ข้างนอกเย็นดอนอ่อนแข็งฝลตกฟ้าร้อง มันไปรรับรู้อะไรคือมันไม่มีเวทนาที่มาจับข้างนอกนะพ่อสติไม่มามันก็อยู่แค่ข้างในเรียกว่าผ้าวังคัคือองค์แห่งพบแห่งชาติอยู่ข้างในผ้าวังคัจิตเราจึงใช้พ่อวางตัวนี้ว่าผ้าวังคัจิตจิตที่มันกอ่อพบก่อชาติก้อนมันจะไปเกิดมันจะไปเกิดเป็นอะไรเกิดก็คือชาตาิชาติคือเกิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นก่อนที่ชาติต่าตัวนี้ตัวภาวะคือพบนี่แ ที่จะไปกต่อแต่นี้อยู่ที่ความฉลาดของของของพบตัวนี้ถ้ามันจํารูปเป็นรูปหยาบรูปหยาบแล้วมันค้องอยู่ในกลางพูดยังไงกลางก็คืออย่างจริงจริงรูปสิ่งกจวตรปฎิภาคมันจะติดอยู่ในรูปมันก็กลับมาที่เดิมนี่แหละไปได้แม่ไหนแต่ว่ากลับมาแล้วต้นทุนมันมีอะไรต้นทุนมันน้อยมันก็ทําอะไรไม่ได้มือมีรูปเหมือนกันหมด รปร่างหน้าตาเหมืนกันหมดแขนขาตาจมูกเหมือนกั น, ข น, ขาา ก, น, ก, นกินดืม่มกินทําพูดอาจจะไม่พูดไม่รู้เรื่องพูดภาก็แต่ว่ากลับมาเหมือนเดิมนี่มันอันตรายต้นทุนมันน้อยมันต้นทุนต่าําอันตรายในขณะที่เกินต้นทุนสูงคือชิดมันไปเกาะถ้ามันมันมันมันรัรูปตัวนี้ได้มาไปที่อารูปคือรูปละเอียดไม่ได้แบบมันมีรูปนะ ในขณะตัวนี้เรายังไม่เข้าใจว่าอัตตากับว่าน่าตามมันต่างกันยังไงอัตตาที่เราเข้าใจเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาสุดท้ายแล้วยังมีชืว่าอยู่ราคนยึดตัวนี้แหละเขาไปยึดอะไรคืออุปาทานมันก็ยึดของเราของเขายึดตัวเองยึดพะยึดคนอื่นยึดหมดที่รู้จักพระคุ้นี่คืออุปาทานตัวอันตรายมันออกเจ็ดมันก็ไมยึดมันอุปาทานตัวนั้นต่อ ในรูปวันนั้นแนหะทางรูปญาปติละเอียดแต่ว่ายังช่วงดีหน่อยถ้าเป็น6ประลังจิตเขาจะอยู่นานเขาจะตั้งอยู่นานมิจุติหรือว่าเคลื่อนเรียกว่าเกินดับนั่นแหละแต่เขาจะอยู่นานกว่าถ้าเป็นชั้นพรมมันเขาจิตมันละเอียดอยู่ที่ว่างๆเป็นอรูปฌานอย่างนี้นจิตก็จะอยู่นานเป็ น, มนปหมื่นปียืนสภาะนั้นเหมือนไม่รับรู้อะไรเหมือนไม่งูนเหมือน ม, มีบ่า เมือก็จิตที่เราเป็นสมาธิแล้วจะเป็นอัปปนาสมาธิมันไม่รับรู้ข้างนอกมันหลบอยู่ในข้างในเย็นดอนอ่อนแข็งคนตกผ้ารองมไม่รู้ถ้าไปในขนาดนั้นก็ไปพรมจิตมันออกจากร่างในขนาดนั้นมันก็ไปที่พรมแล้วก็จะอยู่นานนิดนึงแต่ถ้าให้ดีที่สุดคือผู้จ้าทาให้เราดูคือปล่อยหมดรู้ก็ไม่เอาอารู้ก็ไม่เอานั่นคือการอนิพานมันไม่ใช่เรื่องง่า ย, ายนะ วันภาระธุระทเราจะมีอยู่ในอดีตที่ทําไปตลอขานะ้างหน้ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยอย่าประมาทในวัยในชีวิตอยู่ไปวันวันวันภาระธระุระที่เรามีอยู่ในวัฏสงสารมันเยอะมากมากมันยาวนานไกลนานไม่รู้เท่าไหร่เท่ายังไม่นก็ตื่นร้อนอย่างเฉยๆเลยๆอยู่ไปวันวันอย่าไปลองจะหาภา ร, ระให้มันตกมันตัำกว่านี้อีก ถ้าใครไม่ยึดเอากุศลาระทํานประสงค์เป็นหลักคนนั้นถือว่าตกต่ำหมายถึงจิตจิตมันก็จะตกต่ำมันมีที่พึ่ง ม, มีที่เกาะคือไม่มีความเชื่อเป็นพื้นฐานถ้ามีความเชื่อความเพียรที่ต่อไปมันยากเลยความเพียรคือการต่อเ น, นึง่งคือการพยายามที่จะทําอย่างนั้นมันไม่มีเพราะนั้นศรัทธาจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นความเชื่อเนจุดเริ่แต่ว่าต้องเชื่อพระัตนาใจนั้นนะในความหมายคาว่าเชื่อที่คือพระระัตนาใจ ไม่เชื่อเรื่องอย่งอื่นอื่นเชื่อได้แต่ว่าอย่าไปเอาประเด็นใหญ่เป็นหลักเอาเป็นเอาตายเป็นจริงเป็นจําถูกเป็นตายแล้วสรุปก็คืออะไรที่พระเจ้าไม่สอนอย่าเลยอย่าเป็นแน่อย่าปเาป็นำอย่าไปทําจะไปตามมันจะเข้าป่าเข้าดงไปหนักก็ไปอีกจิตเมื่อออกจากร่างแล้วมันจําในของกูนี้ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันกลกลายเป็นฟอดทำฟองเป็นงูเหลืองเป็นข้างคาวเป็นอะไรไปจะเกิดอะไรขึ้นเป็นหนู เป็นแมวเกิดอะไรขึ้นจะประมาณนะถ้าจิตจะไม่เข้มแข็งพอยังไม่ฉลาดพอจิตไม่ออกจากร่างไปยังพุทโดดไปได้โด <c oughs> ยเฉพาะนี่คือลมหายใจยังพุทโธลมหายใจตัวยังไม่ได้ไม่มีทางที่จะรู้เลยลมหายใจจะมหออมดเ ม, ออมื่อไหร่อ่อนเมื่อไหร่แผ่วเมื่อไหร่อ่อนเมื่อไหร่ไม่มีคนที่จะเล่นลมพุทโ ด, ดลมท่านั้นที่จะรู้ว่ามจะหมดลมเมื่อไหร่จะปล่อยลมยังไงถ้าปล่อยมันเกิไดไอ ปล่อยาปล่อยลมเมื่อไหร่ก็ตายถ้ากำหนดลมก็ยังอยู่คือลมละเอียดมันยังอยู่มันไม่ตายเพราะนั้นเวลาคนจะตายเขใช้ออกซิเจนมันลมเบาๆพวกเขาก็อยู่ได้มันก็เต็นได้แต่ความรู้สึกมันได่หนีแล้วตาไม่ทําหน้าที่แล้วอื่นๆอะไว่าไม่ทำหน้าที่แล้วหรือแต่ออกซิเจนก็คือลมละเอียดนั่นแหละแต่พูดใหา่ขึ้นลมละเอียด น, าานั่งก็นั่งสบายที่คือลมละเอียดก็อยู่ได้คือยังไม่ตายนะีเพราะมันเลี้ยงเอาไว้ ทีนี้ถ้าเรายังกําหนดพวกนี้ยังไม่ได้ยังไม่เข้าใจหลักการอันนี้หายใจเข้าหายใจออกยัไม่เป็นหายใจธรมรมดาก็ยังไม่เป็นนี่อันตรายเลยกำหนดอะไรไม่ได้เลยอันตรายเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าประมาทให้เชื่อให้ฟังพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะฐานเลกถึงคำพุทธเจ้ า, าไม่ได้พระธรรมถ้าประธรรมกิจอย่างนี้เก่ยวกับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นหลักเลยอย่าทิ้งครูบาอาจารย์ติดต้องมีครู จะไว้สมันจะเป็นครูจะจะไปเดินทะเลทรายเข้าป่าเข้าดอมดูไม่มีมีแผนที่มีเส้นทางไม่รู้จักเลยเนะี่ยหลงเข้าป่าในหะลงป่านะั้นถ้ามีความรู้มาก่อนหลงแต่ที่เองก็ไม่รู้ว่าหลงก็เต็มใจหลงทุวนันเ้าก็ยังหลงคือหลงในปตาสงสารอันนีนะ้ก็หาทางออกไม่ได้ก็ยังหวงไว้วนมา เวฏตากิเลสกรรมนี้บาปวนไปวนไปเนี่ยก็คือความคิดของเรานี่แหละมันไม่ใช่ยาวนานขนาดไหนเขาเรายังคิดวนอยู่อย่างเนี้ยมันแก้ไม่ไปไหนไมาไหนก็ตัดความคิดนี้ไม่ได้ตัดความคิดโดยใช้อะไรสมาธิสมาธิคืออะ ร, า ร, า ร, ารวางวางอารมณ์ถึงเคพูดอยู่เสมอว่าลมหายใจสามคำที่พูดมันมีความหมายลึกซึ้งกําหนดลมให้มันหาย ห, ายหรือเ จ, จ็ใจ พอเกิดใจพุทธมันจะรู้เออสุใจทุกข์ใจหรือเฉยๆเป็นยังไงสมอารมณ์อันนี้เนะมื่อจิตออกจากร่างเลยถ้าไม่สามารถทําอย่างนี้ได้ยากก็บ อ, อกว่ายากเลยถ้าใจไม่เป็นกลางเลยยากคาว่าเป็นกลางดูเบกขะคืออุเบกขาแป่วางเฉยไปลวางอารมณ์คือวันสุขวันทุกข์นั่นแหละมันถึงจะไปได้แต่ต้องติดสุขอยู่ติดทุกข์อยู่ติดบุญอ ย, ญอยู่ติดบาปอยู่มันก็อยู่กับบุญอยู่กับบาปอยู่กับสุขอยู่กับทุกข์ กลับมาที่เดิมนะ ว, วัตตา ว, วัตตาถ้าเป็นวิวัตตาเมื่อไรถ้าปล่อยคือตัดแล้วมนเปิดเมื่อไรมันจะไม่กลับมาอีกคือเขาคิดเดิมๆ ม, มันจะไม่กลับมาอีกคิดได้มันก็รู้รู้ทันแล้วมันก็ปล่อยคืออุเปเคราะตอนนี้เรายังใช้อุเปเคขาะไม่ได้คือวางเฉยไม่ได้มันยังอยู่เจอสบกับทุกข์อยู่มันยังไม่เป็นใจคือยังไม่เข้าถึงใจโดยสภาพ สุขเข้ามาอยู่สุขใจทุกข์อยเราก็ปรารถนาสองอย่างเนี่ยเราก็รังเกียจตัวหนึ่งรังเกียจตัวหนึ่งปรารถนาคือสุขกับทุกข์นี่แหละจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันตัดมันไม่ได้ในขณะที่พระเจ้าบอกต้องวางคนที่ไปไกลจะจะสุขกว่านนี้ที่ที่เกิดปัญญาต้องวางเสิ่งหล่นมันไม่งั้นมันจะไม่สิรสระมันจะมีสุขมีทุกข์ปนอยู่เป็นตัวทวงน่าจะบอกว่าตัวทวงความเจริญควาจิตใจของพวกเรา ตัวนี้มันไปไกลไม่ได้ถ้าเปขาคือวางวาง่อแล้วมันก็จะรู้โอ้ใจจริงๆแล้วมันอิสระมันถ้าใจมันมันไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรมันจเฉยๆลงๆเบาๆเฉยๆมันจะลงลึกเท่าไหร่ยิงสบายไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรเลคืออารมณ์คือสีตัวเวทนาสัญญาสังขารมันไม่มีมันไม่สามารถที่จะกระทบหรือปฏิฆะเราสังเกตว่าเวลาเราตื่นขึ้นมาถ้าคนที่นั่งสมาธิยังไม่เป็น มันก็ยังสมถถอนจากสมาธิได้ก็นึกถึงเวลานอนหลับในขณะที่นอนหลับนั่นแหละคือสมาธิแต่มันไม่มีสติท่านองมันต่างกันตรงนี้มันไม่มีติพอตื่นขึ้นมาแล้วมีสติเห็นไหมพอจะติขึ้นมาก็คือรู้ตัวนันหละพราจ่เรวตัวตัวจช้าขึ้นมาเริ่มรู้ตัวแล้วพอรู้ตัวก็เริ่มเวทนาเข้ามาทำหน้าที่แล้วจิตมันําที่ขึ้นมาอัตโนมัติเวทนาที่ยาสกัญญาอัตโนมัติทันทีถึงต่างกับเรานั่งสมาธิ เราต้องที่เราตัดพอผู้นี้ออกเพราะว่ามันไม่สามารถแต่ปฏิฆะหรือผัดสะเมื่อภาษาไม่เกิดเวทนามันก็ไม่เกิดมันก็ดับทีนี้เราไม่รู้กันเกิดการดับของมันมันยิ่งหนักขึ้นอีกสุดท้ายเราก็อยู่กันอย่างนี้อยู่ไปวันวันโดยที่รู้อะไรเป็นอะไรรู้เป็นไงไม่รู้เวทนาเจริญสังขารไงก็ไม่รู้แล้วไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษของมันที่สำคัญคือยังทําไม่ได้ก็หมายความว่าเรายังไม่เข้าถึงใจ ไม่เาถึงใจใจไม่อิสระก็จอิสระมันอุสบายท่ามหวาอารมณ์ได้เมื่อเวลาเรานอนหลับสบายไม่มีภาระอะไรที่มารบกวนทั้งตาทั้งหูอุ่สบายแต่ถ้าจิตมาออกจาก๊งขนาดนั้นอมหะมันก็มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันไม่มีสติจิตออกแก๊งในไณะที่เราไม่มีสติเห็นไหมอันตรายนะในขณะนั้นที่มันอยู่ในรูปอะไรมันนึกถึงรูปอะไรมันก็จะไปตามนั้น เราระวังการเฉดก็ามเฉดตอนนั้นเป็นอารมณ์มันถือว่าเป็นจริงเป็นจังเหมือนกันเป็นเรื่องเวลาเหมือนเราฝันขณะที่เราฝันนะโอ้เ oh, ป็นเรื่องเวลาเป็นจริงเป็นจังเราจะเห็นว่าเราขณะที่เรานอน่ะเสียให้าโมงเจ็ดแปดชั่วโมง ม, มันนักเวลาไม่ได้เหมือนแป๊บเดียวนั่นคือมิติหนึ่งมันนัดเดียวแต่เราใช้เวลาเจ็ดแปดชั่วโมงแต่ความรู้สึกเราเหมือนิดเดียวเหมือนหลับแล้วก็ตื่นนะเห็นไหม มันเร็วของเขามันเร็วอิวนิตกร์เขาเร็วมากการเวลาเขาไม่เหมือนกับพวกเราเพราะฉะนั้นการเวลาที่เรามอยู่เราหยับมันไม่ได้มากเลยมันน้อยน้อยมากอยับประมาณเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกไปแล้วเนะ่ยน้อยขึ้นเลขเจ็ด ก, ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วขึ้นเลขแปดหนั ก, กเก่าเลยตอนนี้สังหารไม่ให้แล้วคิดได้ทําไม่ได้อยากทําทําไม่ได้มันก็มีอยู่เลขกล้าเข้าไปเออหนักนะนการกิ น, นการกินแทบไม่ยืยดไปเลย ร้อยขึ้นหนักเลยแทบอะไรทาอะไรไม่ได้เลยเรา เ, าเห็นไหมเห็นไหมเราจะไปคิดว่ายุยืนยุมากสบายเกษียณกค่อยมาโอ้ยอย่าไปคิดเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เดียวนี้ขณะนี้จะเชื่อเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตในวัน้โดยเฉพาะคือพตันตนาใจสําคัญมากๆในก็ฝากพวกเราทุกคนมาอย่าประมาทในสิ่งเหล่านี้ให้ศึกษาให้เข้าใจขันอันนี่ยเป็นหลักเลย คือประเด็นใหญ่ของชีวิตเลยก็คือขันห้าถ้าเราอยากให้เข้าแก้ขันห้ายากที่จะละตอนปล่อยวางสิ่เหล่านี้ได้ได้มาละไม่ได้ตอนไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้คือจิตมันก็คล้องอยู่เนี้ยจะเรียกว่าสัตต์ตัมันแปลว่าผู้คล้องผู้ยึดผู้ติดอยู่ในขันห้านนี้แหละจิตมันคล้องอยู่ขันห้ามันก็เป็นอย่างนี้มันไม่เหลือขันหนึ่งเหลือขันสี่แต่ในขณะเดียวกันข้อดีของมันคือคนที่มีขันห้า โดยมีสติสพัพพัญญะสมบูรณ์คนนั้นก็จะได้เปรียบแต่คนที่มีกัหรห้าเฉยแต่ไม่มีสติสพัพพัญญะคือสัมพะสาตทั้งหลายอันนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่เกิดนั่นคือผลผลของสเปสตาทั้งหลายในขณะที่ยังชีวิตอยู่ไม่ขนขวายสแสวงหาหนทางให้มันดีขึ้นให้เจริญขึ้นมีแต่มันต่ําลงเร็วลงจิตมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจิตไปสูงไปต่ํา มันอยู่ที่พวกเราลตอนนี้นเลือกเอาจะไปทางไหนจะไปสูงไปต่ำํำเราจะเอาแค่นี้ีกลับมาที่เดิมแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าคนที่กลับมาที่เดิมน น, น้อยน้อยมา ก, มากถ้าสิลไม่บริบูรณ์ข้อแม้คือสินไม่บริบูรณ์ยากที่จะกลับมาเป็นอย่างนี้ได้ปรกติแค่สินห้านีน่เป็นหลักเลยเป็นหลักาการของเราทุกคนว่าศินห้านคือมาตรฐานเลย ถ้าเป็นสินค้าเนี่ยแต่เป็นของดีสุดยอดเลยถ้าคนไหนที่สินค้ามไปเขาคนนั้นก็ไม่มามาตรฐานไม่มีมาตรฐานถ้าเป็นอ่าเราออยอ่ะออเขาไม่รับรองแต่เป็นสินค้าก็ไม่รับรองเป็สินค้ามาตรฐานพผดงานคือหวยแหละใช้ชีวิตแบบหวยไม่มีมาตรฐานใดๆเลยเป็นสินค้าเสื้อผ้าอาปกรณ์คนี่ใครอยากได้เขถูกๆของโหลัวเป็น สินค้าดีดีรู้รูแบรนด์เนนี่ก็คือสินหนะ้าเพราะฉะนั้นคุณค่าของคนอยู่ตรงนี้แหละไปสูงไปต่ำไปดีมากน้อยเป็นมาตรฐานก็อยู่ตรงนี้เพราะนั้นฝากเบื้งต้นว่าสินห้าอ่เป็นเรื่งมาตรฐานไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์แนนหรือใครแล้วแต่ถ้าสินด่างสินพลอยสินไม่ครบก็อย่างที่เล่าเหนแต่ละงพ่อเจ้าลงมาแต่ลวงู่มันลงมาตั้งแต่ปู่ค้าลงมาเห็นไหมนั่นคือโทษของการศินนะแค่ละเมิดสินตัวเดียวนะ พขาไม่เชื่อมั <HHH> aja, ่นในคำสอนกับพุทเจ้าไม่เชื่อมั่นในคําสอนของครูบาอาจารย์ติดตามาชีวิตเราก็ต้องเป็นอย่างนี้มองหามันก็จะตามสุดท้ายคือกลายเป็นนิสัยนิสัยก็สุดท้ายคือหลอกอยู่แบบหลอกลวงลวงโลกลวงโลกเพาะลวงตัวเองลวงเองขึ้นลวงโลกมันใช้ได้เลยชีวิตอย่างนี้ไม่ใช้ได้เลยมันแย่นะหาที่พึ่งอะไรไม่ได้หาสาระอะไรไม่ได้อาชิตได้ ก็ฝาก พ, พวกเราผู้คนเพื่อจะได้ไม่ประมาทในชีวิตในวัวยโดยเพียงิงคือเมื่อเราพิจารณาเป็นแบใดหนึง่งเดินนั่งสมาธินในดาบใดหนึ่งยกขึ้นมาพิจารณายกคือยกขันหนะันขึ้นปัจจัยให้เข้าใจรูปเวทนาญาณกาัณฑ์วิญญาณแต่และตัวแต่และตัวถูกเป็นอย่างไรให้เข้าใจสุดท้ายก็แยกออกอันนี้คือรูปนะอันนี้คือนามนะรูปเป็นคืออย่างนี้น้ำมันอยู่อย่างนี้น้นำมันไปต่อรูปมันหมดแค่เนี้คือจิตออกจากร่างมันก็หมดละ นี่คือรูปนะแต่นามมันต้องไปต่อคือจิตคือจิตมันไปต่อไปไหนมันต้อหาที่พึ่งต่องานที่เกาะต่องาที่ตั้งต่อโดยทิ่ติจิตมันหาที่พึ่งหาที่เกาะเกาะไม่ได้เกาะรูปหยาบไมเกาะรูปละเอียดมันก็อยู่สุดท้ายคือติดนั่นแหละคือค้งมันมันไปไหนไม่ได้ไปไกลไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าที่คนไม่มีทิศทางเลยเหมือนก็มหนก็ตายแล้วก็ออกเจออก็ร่างไปเลยอุ้นลำบากเลย คมืดรูจะไปไหนมาไหนลําบากเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราทั้งหลายที่เป็นนักฝึกนักขั น, นักปฏิบัติเข้าวัดฟังธรรมจาสินภาวนามานานก็ให้ใช้หลักการอันนี้อรพินิพิจารณาในชีวิตประจำวันวันวันนึงให้หาความดลี้ยงอาตเลียงให้ได้ทําความเลี้ยงเลี้ยงให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมาตรฐานสินห้านต้องทบทวนเลยวันนี้อะไรที่มันทำได้ยากีิสุดธ์ในหข้อ แต่ถ้าได้ทําได้ครบได้ห้าข้อถึงสุดยอดไม่ใช่เป็นคนอย่างเดียวเป็นมนุษย์คนนั้นเป็นมนุษย์ทันทีเป็นมนุษย์เสร็จแล้วก็ต้ล้างจากมนุษย์แล้วต้องพระคือความประเสริฐของพระก็มีสามสีขั้นบันไดสีขั้นที่ต่อยอดออกไปอบันไดสีขั้นนะถ้าใครยังไม่เข้าใจในรูปเวทนาจิตญาณสังขารญาณขึ้นไม่ได้ต่อไม่ได้ไปไม่ได้ ขั้นที่หนึ่งก็คือโซดาสกัดตากราคาอาราธนาขึ้นนี้ไม่ได้เลยแต่ใดเพื่อนคือบันไดขั้นแรกถ้ายังศรัทธาในสิ่งอื่นงมงายไม่เชื่อมันนน่นในพระรัตนตรัยบันไดขั้นแรกยังเหยียบไม่ได้เลยเอาง่ายแค่นี้นะบันไดขั้นแรกยังผ่านไม่ได้เหยียบไม่ได้เลยเพราะว่าขาดคุณสมบัติอันนี้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะ คุณสมบัติอันนี้ผ่านไม่ได้มีศีลก็ศีลไม่ครบเชื่อพระเจ้าก็คือเครื่งกลางๆอทําบ้างก็ได้ถามว่าเชื่อไม่เชื่อแต่ไม่ทําเพราะว่าอื่นมันมีแรงจูงใจมากกว่ามันหนักหน่วงกว่ามันอันตรายเพราะนั้นต่อไปไม่ได้เลยหมายความต่อบันไดขั้นหนึ่งสองสามีไม่ทําพูดถึงเลยยากยากมากๆไม่ใช่ยกธรรมดาเพราฝากเราทุกคนเพื่อเป็นแนว เงินที่บาจะได้แก้ไขปรับปรุงก็จะเกิดการพัฒนากับจิตใจของตัวเองมันดีขึ้นเจริญขึ้นเราเป็เชื่อผู้เจริญคือพัฒนาตรงข้ามท่าไม่มีเจริญก็อายนะคือเสื่อมเสียวิบัติมันด้านจิตใจมันก็ขาดทุนก็กลายเป็นวัตตะคือวนอยนนู่นี่แหละไม่ไปไหนไมาไหนเพราะนั้น <c oughs> ของพูนี้ไม่ใช่เรื่องอยากจนไม่สามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงได้ <c oughs> แต่เพราะว่าเราไม่พยายามความเพียรมีแต่ความต่อนเนื่องมันไม่มีความสำเร็จมันก็ไม่เกิดความเพียรมาอยู่ในสถิ ต, ติคือการต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก่อนวันนี้พอละพวกนี้ไม่ทําลันต่อคาถาอย่างเนี้ยเป็นข้อแม้ไปเรื่อยๆอยากดับลงมากเลย ไม่ใช่ยากธรรมดาก็ฝาพวกเราทุกคนเพื่อเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติมันจะได้ไปไปใช้ในชีวิตปัจจำวันจริ ง, รงๆก็ฝฟกาว่าพราะแม่กววอาจา ร, ร, ราย์พัฒนาใจเป็นสาระสูงสุดไม่มีอะไรอื่นสูงไปกว่านี้กีกแล้วถ้าไม่มีสิ่งนี้อยู่นะอย่าไปหวังเลยจะเหยียบปัญหาขั้นแรกต่างไม่มีเลยไม่มีใครทาได้เลยถ้า ไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้ได้ฝากพวกเราด้วยความจริงจังและจริงใจด้วยความเป็นห่วงเป็นใจในอนาคตว่ถ้ายังอยู่อย่างนี้ก็คืออยู่ที่เดิมอะมัน ไ, นไปไหนไปไหนเราคิดเรามาไกลแล้วเราไปไกลแล้วไม่ใช่อยู่ที่เดิมอันตรายก็ฝากพวกเราทุกคนถ้าเราทําได้ก็เป็นพ้นดีแต่ตเราเองการเดินทางของเราก็จะเร็วขึ้นไปไกลขึ้นแต่มืนอไงก็จะถอยหลังไปเลย อยู่กับที่ก็ยังดีแต่ถอยหลังหนักกว่าเก่าเลยมีใครเห็นว่าใครเดินถอยหลังบั้งมีแต่อยู่กับที่หรือไม่ ก, ก็เดินไปข้างหน้าแต่ถ้าใครเดินถอยหลังลองดูชีวิตจริงลองดูเดินจุกงก็ได้ลองถอยหลังก้ากับหลังดูเป็นยังไงมันยากลำบากขนาดไหนนั่นแหละคือความคิดถอยหลังกลับไปที่เดิมมันเหมือนอย่างนั้นความคิดไปก้าวหน้าคือไปข้างหน้าหรือความคิเดเหมือนเดิมเดิมคือย่ําอยู่กับที่ก็เลือกเอา ก็จะเลือกถอยหลังอยู่ที่เดิมหรือก้าวไปข้างหน้าก็อยู่ที่เราถ้าถอยหลังจะไปหวังไปโขนทางจะไปอยไปหวังเลยอยู่กับที่ย่ำฐานอยู่ที่ก็เหมือนเดิมแค่สมรัถตัวแต่ถ้าเราก้าวไปข้างหน้าสองก้าวสองก้าวนั่นแหละเป้าหมายของเราก็จะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแบบน้อยไม่เป็นไรนี่คือธรรมชาติที่มันบอกเราร่างกายที่มันบอกเราตอนนี้ต่ำอยู่เราอยู่จุดไหน กลับไปที่เดิมคือกล้าไปหาอดีตกล้าไปหาอนาคตหรือย้ำอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นที่ช่วยเราได้พูะจะาให้สอนเรื่องปัจจุบันธรรมให้ดูปัจจุบันในขณะนี้เดียว น, นี้เวลานี้เท่านั้นเพื่จะเกิดสติปัญญากับตัวเรากระฟ้พวกเราทุกคนเพื่อให้เกิดสติปัญญาดูแลคุ้มครองเองท่า สติปัญญาเกิดขึ้นแล้วนี่แหละจะเป็นกรอบจะเป็นที่พึ่งจะเป็นพ่อจะเป็นแม่จะเป็นครูเป็นอาจารย์บอกทางเราเองว่ามันเพิดมันโตเป็นอย่างนี้กับที่เชื่อเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้พูดถึงพึ่งพาตัวเองได้ก็คนอื่นก็พึ่งพาได้อาศัยได้ก่อได้นึกถึงอะไรมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีปิติชื่นใจยิตใจเหมือนเรานึกถึงพระแม่ครูอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้าอะไร ถ้าทำภารส่งเมื่อไหร่มันปิติจิตใจเราก็จะอ่อนลงจะไม่แข็งกระด้างถ้า ม, มีที่พึ่งเนื่องของไม่ดีนะโอจิตมันก็ฟุ้งขึ้นมานั่นแหละคือของไม่ดีมันจะฟุ้งขึ้นมามันดีที่ไหนเกิดโมหะเกิดโทสะขึ้นมาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหาที่พึงไม่ได้หาสาระไม่ได้ก็ฝากพวกเราทุกคนระดับคำขึ้นวันนี้ก็คิดว่าถ้าเราออกไปพิจารณาพิจารณาจริงๆนะที่วัดมกวิรัตประโยชน์นี่แสาระ จา ก, การปฏิวัติธรรมจําิ่งภาวนาก็ขออนุโมทนาความดีที่อยู่เราทั้งหลายได้ทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงนันบวันนี้ขอความเดียนนี้จนเป็นพระประเจร ค, คุบครองดยรักษาเราให้มีความสุขความเจริญในทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่กับโลกก็เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็เจริญแบบธรรมให้เราทั้งหลายมีความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านเถิด